ถวายบังและระหมาบอกดี่ัวพิจารณาในการปฏิบัติแต่ความจริงอาจมามีความรู้สึกว่าธรรมะแต่สองแบบการนี้ที่จะถวายบังคมระหมาแอกดีหรือ่อย่างที่กําลังที่จะถวายบังคมแนี้ก็ดี มีความรู้สึกว่าพระมหาบุพพิฆสุขเรือนัทปัญญาโดยละเอียดพอแค่แล้วแต่เมื่อทรงเดินขอมาอถวายอาจารย์มาต้องขอถวายต่อความรู้ที่จะถวายได้แต่ด้ว่าสําหรับจิตตาอจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทาเนี้ยไม่แนวทางการปฏิบัติ ในสัญลักษณ์ของสาวกพระองค์สมเด็จประสุรศักดิสภาพปฏิบัตเป็นสองแบบด้วยกันโดยสําหรับท่านที่ไม่ได้เกิตัวปุรยยานมาก่อนก็พิจารณาการกระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินกรงตามคาสอนวยการพิจารณาด้วยปัญญาโดยเฉพาะ เชื่อหลัก่านด้ใจตัวบริยาามาก่อนแล้วด้ยกเอาระแสธรรมทเสนอพระองค์สมเด็จพระบพิแลวในด้านจิตการนุปัสฐานตัวดีโดทัศนานุปัสฐานตดีโดยใช้การ่ิจรณาจากแสจิตเป็นสำคัญ เม่อกรแสจิตนี้นองค์สวดพระปรวันทรงตัดว่ามีกระแสเป็นสีอยู่หกสีดดียกันแต่ส่วนแนวทางปฏิบัติพย่อดสั้นลงมาเหลือสามสีเมื่อถ้ากระแสกจิตมีสีแดงแสดงว่ามีธรรมปริติคือความดีใจเป็นสีดงหรือสีหมว แสดงว่ามีความเสียใจลรือใจใสชุกถ้ามีสีโงงใสก็จะพว่าเป็นจิตโรมเบขาเป็นอสุกลมาทุกข์คือจิตที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นจิตสะอาดบรรดาสาวกของ ส, ขสมเด็จพระบรมมรรคกนั้นมีความพอใจอยู่อย่างเดียวคือในจิตใสเท่านั้น จิตม anyway, er ีลมสีแดงคนดีมีรมสีบดำคนดีแล้วโมงมองคนดีทุกท่านใจกันงในจิตของตนนี้ว่าเลวสาบเกินไปไม่สร้างความพอใจในรมศีทั้งสองนี่เป็นจิตน้อมเป็นดั่งปีติที่เจริญไปด้วย และเป็นจิตที่มัวหมองที่อาศัยอมิตเตอร์สำคัญแต่เอว่าสีจิตแปลนองนี้นถไปว่าเป็นจิตเลวจกต้องพยายามจับอรมณ์หาเหตุว่าเพราะอะไรกระแสจิตใจจึงมีสีเป็นอย่างนั้นและก็าาหาทางทำลายสีทั้งหลายเหล่านั้นให้พินาศสิ้นไป รักษากําลังใจให้อยู่ในเขตของอารมณ์ที่แจ่มใสเหมือนกับแก้วที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ความจริงแก้วจิตที่มีความใสเมือนเจ้วที่สะอาดบริสุทธินี้ยังไม่เทีวว่าเป็นของดีที่ควรจะการพอใจเพราะยังเป็นกําลังใจอยู่ในในโลกิยาน เป็นชานที่สามารถจะห้ามพันกิเลกให้เป็นสมุทเทตบาหันได้ยังมีความเสี่ยงยังมีการถอยแกต้างพยายามพันกับจิตนี้จิตนี้นอกจากมีการสายสะพาดแล้วให้มีกระแสของแกเป็นประการที ถ่าทั้งไม่มีอารมณ์นึกไม่มีอารมณ์คิดไม่มีอารมณ์จิตใจในสุขเวทนาหรือว่าทุกเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นธรรมดาตันหมดเมื่อมีอะไรปลายกฏก็คงมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นเดียวว่าเป็นสิ่งที่มีปรายกฏจเข้าหน้าเราอยู่เท่านั้นไม่เป็นที่อาศัย ไ, ไม่เป็นที่ได้ถึง จิตของท่านผู้นั้นจะไม่ ย, มยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจกเปอารมณ์ที่เป็นอิจฉารอรมคนดีเปลือยอิจฉารอรม์คนดีไม่มีความ พ, พอใจคำว่าไม่พอใจก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าฝืนใจมีอารมณ์ใจเฉยเป็นปกติเหมือนกับคนที่ไร้ประสาทมีการสัมผัสไม่รู้สึกตัว มีประมาณเหมือนกับคนที่ตายแล้วหรือว่ารูปฟันของตุกตายังมีความหนาวแรดขึ้นมาจะมีความร้อนแรงกึ้ใครจะาสีสันวันนักแดงใดไปแต้มไปไป้ายอย่างไรกตาคนตายหรือว่าตุกต า, า, า, าไม่มีความรู้สึกเช่นไหน ใจใจของพระอริยสารุทหลายที่สามารถขับสีเลวตัอสองอย่าง้คือสีแดงเรียว่าสีดำเรียว่าสีม่วแล้วก็ทำอารมใจที่สายเป็นแก้วให้เป็นประกายแถวพรเหมประกับแก้วประกายจิอย่างนี้จิตจะมีความเล็กอยูอย่างเดียวคืออ <arto deal vocabulary DOWN> ุเบกขารม เรียว่าสันขาเป็นขาลมมีอารมณ์เป็นปกติมีอารมณ์เบาอันนี้เป็นที่พอใจขมันดาพระอริยะสาวกทั้งหลายเพราะสายเจโตปริยานเป็นกําลังใหญ่ถ้าได้เจโตปริยานเป็นเพื่อนพวกภูมใจก็สามารถจะชําระกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ให้รวดเร็วโดยฉับแรง ถึงจนั้นผ่านพรมจิตใจของท่านบนนั้นให้ได้มโนวิธิการศึกษาทำลายเจตาเอ า, ากำลังของจิตให้เป็นสมุทเฉตระหานได้ของเขาีเล็เป็นของหน้าอิมพิลแต่สำหรับในที่นี้อาตมาก็จะขอนำค ม, าามาาบาลี ที่องค์สมเด็จพระนสีบรมไชยศาสนาสำมาสรุปในจก่สุขวันนี้จิตานุปัสนามหาปิติปรานมาถวายโดยเฉพาะเพื่อให้พระมหาปกติได้ใช้พระปัญญาพิ่เจรณาเอาเองตัวมีพระปัญญาเฉลิมฉลองมีความสามารถพอแล้ว อาจะมาคิดว่าท่านโพ้นไรก็ดีถ้ามีจิตต้องการทำมั่เพียงเท่านี้อาจจะมาถือว่าจบจิตที่อาตมาจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติจับท่านคนนั้นหรือว่ากิจการแห่งการแนะนำใดๆจะไม่มีต่อไปอีกลอกจะทว่าสงสัยไม่เข้ใจตอนใดตอนหนึ่โดยเฉพาะ ถ้าตมาก็จะแนะนำท่านคนนั้นชอวพ่อจุดถือว่าบุคคลผู้ใดถ้ามีจิตใจตั้งอยู่ในเจเพวะทนานนปัสนามหาปฏิปทานก็ดีจิตตานนปัสนามหาปฏิปทานก็ดีถือว่าบุคคลปาเภทนี้เป็นผู้มีอารมณ์ละเอียดพอแล้ว และเราสามารถจะปฏิบัติทำคำสั่งสอนพระองคอ์สมเด็จพระบาททิศแก้วให้จบจิตในระพุทธศาสนาโดยฉับรัอนฉะนั้นคำและนำต่อไปนอกจากนี้นั้นจริงไม่มีหรว่าหมดหน้าที่ในการที่จะแนะนําต่อไปสำหรับเชมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศรีทรงแก่ ในจิตปานุปัสสนามาหาจติภัณา น, นั้นมีเนื้อความดังนี้ว่าดูก่อนที่สุดนั้นลายก็อย่างไรที่ผุกย่อมพิจเจรนาถ็นจิตในจิตเหนียงเลงอยู่ดูก่อนที่สุดนั้ลายที่สุดในธรรมวิางนี้อั น, น จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรู้ว่าจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะรู้จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรู้ว่าจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะ รือจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือก็จิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะรู้จิตผดผู๋กอรู้ชัดว่าจิตผดผู๋รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านรู้จิตเป็นโมหะก็คือจิต ถึงความเป็นใหญ่หมายให้จิตที่เป oui, ็นฌานสมาบัติหร <ional> well ือว่าเป็นอภปัญญาพ็เป็นฌาหรือว่าจิตมีพรภมวิหารก็รู้ชักว่าจิตเป็นมีมันเป็นมหระพุทธหรือว่าจิตไม่เป็นมหระพุทก็รู้ชักว่าจิตไม่เป็นมหระพุทธเพราะจิตไม่เป็นฌาน จิตไม่เป็นอบนาอัคคบัญญาในธรรมริหารคำว่าอัคคบัญญาในธรมวิหารหมายความมีความเมตตาไม่มีขอ้อเขตมีความกรุนา์าไม่มีขอ้อเขตมีจิตอ่อนโยนไม่มีขอ้อเขตมีจิตความเฉยไม่มีขอ้อเขต แว่าเป็นอภัมบัญญาในภุมิหันเืียหมายความว่ามีภุมีหันของจิตอากระมาณนี้ได้และต่อไประดัดว่าหรือจิตเป็นสุตระก็กล้ามาวาจระจิตมีจิตอื่นยิ่งขวาไม่ถึงอุปจารและสมาธิก็รู้ชักว่าเป็นจิตสุตระ อันนี้หมายความว่าจิตตัวนี้ส่วนนี้เยอะอารมณ์จิตในขณะ น, นี้เป็นเครื่องขนจิตอารมณ์นี้เข้ามาแล้วเพราะเป็นเครื่องอยางที่ท่านอาจารย์เท็จกล่าวเครื่องนี้เป็นเครื่องกุศลแต่ว่าเป็นเครื่องกุศลท่าสนชสัดเป็นกุศลในเพดแค่คานิกาสมาธิ เพรจิตน้อมไปในด้านกามาวจอที่มีความพอใจในในกุศลที่เรียกว่าเป็นทานศีลภาวนาอย่ยอ า, างย่อจะว่ า, า, ว า, า, า, นน า, าเป็นอ า, ารมณ์อยู่ในกามาวจอันอุบาจในท่านขันิสมาธิไม่ถึงอุบจารสมาธิก็ ว่าเวลานี้จิตเรมียรมณ์ต่ำในด้านของโสดเพื่อตกจยูในด้านของอุสนกรรมบทสาเปาน็นการอิ่พอใจในการให้่านพอใจในการรักษาศีนพอใจในการเจริญภาาแต่ว่ายังต่ำจิตยังเล็กหรือ ว, ว่าจิตแปรมุตระคือกามาว่าจงจิต ไม่มีจิตเอื่ยนยิ่งกว่าหมายด้ว่าเอาจิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิคําว่ากามาวจรจิตที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิไม่มีจิตจิตเขเป็นกามาวจรเอื่ยิ่งกว่าเพราะว่าจิตที่เข้าถึงกามาวจรสวรรค์โสงสุดท่านอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตตระ หรือว่าจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตา้มัน่นตัวนี้เป็นชานเป็นอัปณามาสมาธิหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมันหรือว่าจิตมีมุดเพือหลุดพ้นด้วยการทางสวิมุดและนิธรรมพระนวมุติก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมุด อีหมาความว่าเวลานี้จิตของเรากำลันระนักกิเลสด้วยกําลังของฉานก็รู้การกำลังของจิตว่านี่ไม่ใช่เป็นการตัดกิเลสแต่เป็นการตัดกิเลสที่กําลังของฉานเท่านั้นเพราะว่าจิตยังไม่วี ม, มุดไม่หุกคนก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่วีมุมด ให้กลาวต่อไปว่าดังนี้พ่สุทธย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในปัจจัยย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกปัจจยย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกปัจจยย่อมพิจารณาเห็นธรรมดานี้ฟังเกิดขึ้นในจิตปัจจ ย่อมพิจารณาธรรมดายด้วยความเสี่ยงไปในจุด ป, ปังย่อมวิจารณาบรรดายด้วยความตั้งขึ้นทังความเสี่ยงไปในจุด ป, ปังหรู้ว่าสติวา่าจิตมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่จะพอน้าจะเท่นั้นแกเอียนสัต์แต่ว่ารู้แะเทียนสัตแต่ว่าเป็นที่ระลิก เธอย่อมไม่ติดอยู่ไม่เล e ็ดเลือะไรในโลกทั้งหมดด้วยดูก่อนที่สุขไหลที่สุขย่อมพิจารณาเองจิตในจิตอย่างนิ่งเนียงอยู่อย่างนี้แหละเป็นอนุวัติแต่แท้ก็สะทมเจสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ของจิต อที่ถวายสรพรมาหาบกพิษมันแล้วตอนนี้เว ล, ลายังเรลอยู่อาท่ายอาาาขอขยายความนิดหนึว่าองค์สมเด็จพระบดีแก่พยายามใช้สติคุมจิตพยว่ามรูอ้อาการเคลื่อนไปของจิตว่าจิตมีราคะ หรือว่าไม่มีราคะถ้าจิตมีร า, าคะควรจะใช้อะไรเข้ามาตัดจิตมีราคะก็ใช้ว่าถ้าสุคดรรมาฐานกับกายคตาโมคติเข้ามาตัดถ้าจิตไม่มีราคะก็ควรจะยึดคณิพานเป็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาธรรมดาเป็นที่ตัง้ง หาธรรมดาให้พบปัญหาทานจิตไม่ขอถ้าจิตมีโทรศัทก็รู้ชั้ว่าจิตมีโทรศัท์จิตมีโทรศัพท์ก็หาความมีฐานข้ามาสูตเอวระชินสีเข้ามาสูตถ้าจิตไม่มีโทรศัพทมีอารมณ์สบายก็พยายามหากฎธรรมดาเข้ามาใส่ไว้ในจิต ให้รู้ทุกขณาจิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาเพราะ่าจิตโมหะก็รู้ชัดว่าจิตโมหะจิตโมหะแก้ดวนนาควาสติธรรมดาเมื่อจิตมีอารมณ์สุนทรมีอารมณ์เป็นสุข ว, ว, ว่าอันจะโมหะก็หาอรมณ์ธรรมดาเข้ามาใช้ ว่าดูสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรควรจะเป็นเพื่องยึดเครื่อถ้าจิตขดโ h ก็รู้จิตขดโ h จิตขดโ h ตัวนี้ต้องแก้ด้วยอนุสติต้องด้วยแก้ด้วยอนุสติของริรัตนมีพุทธานุสติเป็ตนต้นหรือว่าเอาก็ทํารมคำสั่งสอนพองค์สมเด็จพระรัตนตในด้านของก็โสดเข้ามาช่วย ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตพุ่งซ่านก็แก้โดยกรรมสองอย่างภาวนาบาลนุสติกมามันนหรือว่าใช้อารมณ์ที่เจนานพรืว่ค่อยควรแปลงกระแสของกั่โสที่เต่ๆทำให้ใจมีความสุขจิตเป็นโมโหได้เพรคือความเป็นจิตที่มีฌานสมาบัติ หรือว่ามีพรมวิหรที่เปอมัญญาอยากจะแสจิตของระมาฮาอกิเป็นปกติมีท่านการสมาคและจะมีพรมิหาอัญญาแต่แล้ว่ากาเวลาอย่างเองก็มาสักจ like ิตจิตนินงก็ใช้อารมณ์ท้หลายเหล่านี้นั้นให้เป็นประโยชน์ ถ้าจิตเป็นฌานก็ดีเจิตเป็นจิตไปอภิบาลญาในกมยานก็ดีเมื่อจิตมีอารมณ์ทรงจิตเป็นสุขอย่างนี้หาธรรมดาเสียพบเมื่อจิตไม่มีอะไรคนคือหาฌานไม่ได้หาปภิบาลญาไม่ได้ก็รู้อยู่อันนี้ก็ต้องหาค้นคว้าหาคำสอนองค์สมเด็จพระอรหนต์สูรว่าเวลานี้จิตมีอะไรเข้าสำคัญ ถ้าต um, uh, ุนั no ่ใช <but questo S 2> <don> ้ขาถ้าตัดไม่ขาดมีอรมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆก็ใช้อารมณ์สบายเดีวสมมตอนนี้จะมาไม่สบายหรือว่าจิตเป็นสตะระปกามาวาจนจิตนีจิตอื่นอิงกว่าจะไม่ถึงอุปจาระสมาธิ บบพยายามควบคุมกาลังใจให้เข้าถึงอุปจาระสมาธิหรือว่าจิตแอนุสระคือการมาวจันกิตเมื่อมีจิตยิ่งกว่าคือจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิควรจะพยายามค่อยๆควบคุมกำลังใจให้เข้าถึงฌ า, สานสมาบัติเมื่อจิตตั้งมั่นคือเข้าถึงฌานสมาบัติเมื่อจิตทรงอยู่ก็ปล่อยจิตไปตามสบาย จะจิตพอยหลังเข้ามาดูอุปัฏฐากสมาธิก็จัดธรรมดาให้ได้เมื่อจิตไม่ตั้งม่นก็ดูชักว่าจิตไม่ตั้งมันเมื่อจิตไม่ตั้งม่ก็หาทางให้จิ ต, ม, ตมันตั้งมั่นเมื่อาการของใจอย่างใดอย่างนั้นเพื่อได้อดารของกรรมฐานที่หักข้างที่ อ, ท, ท, ท, ำอทำลายทำลังของใจเมื่อจิตมีความหลุดพ้น ด้วยกำลังคนชั้นก็รู้ว่าจิตมีความหุดต้นในปัญญาของชา้นแต่ดีความรู้สึกว่ากาลังเพียงเท่านี้ยังไม่พอต้องต่อโดยกำลังวิปัสสนา่างให้เข้าถึงสัญคลุกติฐานญาณให้ได้ว่าจิตไม่ดุดต้นก็รู้รู้ชัดว่าจิตไม่ดุดค้นในดังนี้ดังนั้นว่าอาจารย์แสบสัตตมติสนาพระองค์สมเด็จพระจินศรี แล่การเรีนารงานก็สนามาหาสติปัญาคนดีจิตการก็สัญามาหาสติปัญากนดีอาตมาขอถวายพระพรไหว้เทียนเีเพื่อเป็นที่พิจารณาของพระมหาบอกดีเพราะการเพราะว่าการญาติมบายถวายก็ยิ่งกว่านี้อาตมาจห็นว่าม่มีประโย์ ทั้งนี้พระวา่าพระมหาภิธิ์มีพระบีชาสามารถมีความเฉริยวฉลาดในกายที่จะสามารถทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุทเธตรหันได้จะพิจาจรณาได้แกะแสพระราชากิจของพระองเมื่อในกายก่อนมีพระราชปสงค์ัติธรรมะเป็นไั ตื่นพอใจท่านเปิดท่านกตีและท่านเก็แต่ว่าเวลานี้ประมาฮาบกิตตินี้พระราชาทรงเฉพาะแต่อย่างเดียวฉะนั้นอาตมาจึงขอถวายพระพรด้วยเทียนตรงนี้เมื่อนำเกณฑมาถวายและนี้อาตมาจึงว่าจบจิตในการที่จะถวายพระพรต่อไปไม่ด้สำมั่น นอาแจกว่าถ้ามาหาปุพพิจามีความสงสัยในเวทนานุปันาหรือว่าจิตตานุสนาเท่านั้นก็จะถวาย้าพรแก้ไขปัญกลวังความสามารถก่าจะมาก็จะขอถวายเจ้าพรให้สงสารว่าจะมาหนีไม่ใช่สักพันโยวิสายไม่ใช่รู้อะไรอะไรทั้งหมด มีอ <skate> งค์เดียวคือองค์สมเด็จพระบรมสุที่ร oh, ู้ทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องเพาะว่าความสงสัยใดๆที่พระมหาบอกผิดตรงนั้นสิ่งนั้นพระในเกิความสามารถก็ทำมาและอัตมาก็จะถวายถ้ต่อได้ศึกษาเจ้าสิ่งใดที่เกิดที่ใสอัตมาที่จะถวายและพรได้เกิดสติในญง่ก็ต้องถวายื่ต่อไปขอถวายบ่พอ